بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ص ل ا a والسلام على a ش ر ف ي ن ั ن ب ي ا ء والمرسلين نبينا محمد وعلى ุ ل ه وصحبه ا ج م ع ي ن رضيت بالله ربا و ب ร ا ل ล س ل ا م د ي ن ่ามุ محمد ر س و ل ุ รับิ ر ราห์ลีสั ي ว์ได้วยยา ا รีอัมล م ว ن หลุนอุดตัมมิลิสานียัฟกาวุคาวลีอัลลอฮ ا มะอินน่านา ع นศอ م ลก้า ا ินมา ا น่าฟิอั ب سم الله الذي لا يضر م ع ا س م ه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع الّايم بسم الله الذي لا يضر م ع س م ه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع الّايم بسم الله الذي لا يضر م ع س م ه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع الّايم اللهم ف ق ه في الدين وانبه جايين S a ah uh. s s, <y ik un> s eta, ren, a ความสันติพระเมตตาความจเริญความปราณีจากอัลลอฮละประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลวันนี้เราจะเริ่มอ่านในอายะที่50ส สุร้อนอาราฟยุสที่8สุร้ที่เจนะครับสุร้ที่ลำดับที่เจดอยู่ในยุสที่8ดอ่ะเดี๋ยวเริ่มต้นในสุร้ออัลฟาติฮก่อน أعوذ بالله من الشيطان الرجيمأعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 ม ا ลกิยามิดดินมัลกิยามิ ي ดินอียา ك นะอับดุลวาอีต اعين อียาคนะอับดุลวาอียาค์นะสต اع ินอิบินั้ลสิรัตัลมุสตากิมอิบินั สิร ط ต الذين أنعمت عليهم الذ أن علي غير المذبوب عليهم ولاضالين ال อูบิลลอฮิมินอชชัยตานุรจีมว م นาดาอัลชาบุนนาริอั ا ب าบัลจันน่า أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقك الله حرمهما على الكافرين اللهم إنا ن ع ت ر ه م الكافرين الذين تأخذ دينهم له و و ل ع ب ً ا وغر รักหูมุล hayat ุ ل ุนยาั ل ลัลละก و ลจีละหูมละวาวาลัปวาวาลรั ح หูม ا ล h a y a فاليوما ناسهم كما نسولق أيومهم هذا فاليوما ناسهم كما نسولق أ ي, ي و م ه ه ا ว่าไม่ كانوا بآياتنا يجحدون ว่าไม่ كانوا بآياتنا يجحدون อ่ามาดูความหมายนะครับว่านาดาและนาดาก็หมายถึงเรียกนาดานะไม่ใช่นาดานะคะนาดาไม่ใช่ความหมายนี้ นาดาแปลว่าน้ำค้างนะครับส่วนนาดาตรงนี้แปลว่าเรียกนะครับเรียกใครเรียกอัสฮาบุญนาชาวนรกเนี่ยเรียกร้องต่ออัสฮาบัลญันนะต่อชาวสวรรค์ร้อง ร, ร้องเรียกอะไรอันอฟีบูอเลนามีนัลมมจงเทนา้าโดยเขากล่าวว่า จงเทน้ําลงมาให้แก่เราด้วยเถิดนะเอามิมมาหรือไม่ก็รอซะก็กุมุ ล, ล่อหรือสิ่งอะไรก็ได้ที่อัลลอฮ์เนี่ยได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาด้วยอ่าตรงนี้เนี่ยฮูมาตรงนี้ก็ย้อนกลับไปก็คือน้ําแล้วก็อาหารนั่นเองนะเครื่องปัจจัยยังชีพตรงนี้ก็หมายถึงอาหารส่วนอันแรกนี่ขออะไรก่อนเลยน้ําเพราะว่าน้ำเนี่ถือว่าเป็น สิ่งที่ร่างกายมนุษย์เนี่ยมีความจำเป็นอย่างมากนะครับน้ำสะอาดเป็นพื้นฐานของปัจจัยเลยนะในการบริโภคหรือไม่ก็สิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาด้วยก็หมายถึงอาหารเป็นไงครับกอรูบรรดาชาวสวรรค์ก็กล่าวว่าอินนัลลอฮะฮาร์รัมฮูมาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นได้ทรงห้าม ทั้งสองอย่างนี่แหละไม่ว่าจะเป็นน้ําแล้วก็อาหารปัจจัยยงชีพต่างๆไอเลนเกฟีรินแก่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายเนะีเพราะว่าหนึ่งในการลงโทษของคนที่ปฏิเสธศรัทธาก็คือการอยู่ในนรกแล้วก็ถูกเผาไหม้ในไฟนรกแล้วก็ไม่มีอาหารด้วยแต่น้ำเนี่ยไม่ใช่เป็นน้ําดื่มสะอาดนะแต่เป็นน้ําเหลืองน้ําหนองน้ําร้อนน้ําเดือด ที่จะให้กรอกคอคือไม่อยากจะกินหรอกแต่ต้องกอกกลอกคอลงไปให้มันเผาไหมเข้าไปในข้างในอีกนะไอ้ข้างนอกก็โดนไฟนรกไอ้ข้างในก็โดนน้าเหลืองน้ำหนองโดนน้ําร้อนนะครับเทเข้าไปอีกนะซึ่งอันนี้แหละคือความทรมานความสยดสยองของชาวนรกที่ชาวสวรรค์ได้เห็นด้วยนะผมบอกไปแล้วจากครั้งที่แล้วว่าชาวสวรรค์ก็มองเห็นชาวนรกชาวนรกก็มองเห็นชาวสวรรค์และก็ตัดพ้อตัวเองว่าถ้าวันนั้นไม่ดื้อก็ ตอนนี้ฉันก็ไปอยู่ข้างบนแล้วไอ้ฝั่งนู้นก็นเหมือนกันบอกว่าอันหล่อวันนั้นที่ละหมาดเออที่ทําความดีเอยทําวันนั้นขี้เกียจฉันก็คงไปอยู่ข้างล่างนี่แหละดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเอาล้อเอามาเล่าให้ฟังและมันก็สายไปแล้วด้วยนะแต่เรามาเล่าให้พวกเราทั้งหลายตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้เห็นภาพตรงนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าไอ้ที่เราเหน็ดเหนื่ยอยทําอะมันอิบาร์ดะเนี่ยมันไม่สูญเปล่าแต่มันคือการจองที่นั่งของเราไว้ในสวรรค์ของลอตตาลา นะแต่นั่นแหะคือชัยชนะที่สําคัญที่สุดใครจะได้รับชัยชนะในโลกดุนยาจะจะมีตําแหน่งอะไรขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าอยู่ในวันกิยามัตและเป็นชาวนรกนั่นคือผู้ที่พ่ายแพ้ผู้ที่ขาดทุนนะส่วนในดุนยาจะไม่มีตําแหน่งอะไรเลยไม่มีใครรู้จักเราเลยเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งแต่ในวแต่ในวันกิยามัตรเราได้เข้าสวรรค์ห่างไกลจากไฟนรกนั่นแหละคือความสําเร็จที่แท้จริง ในอายะที่ห้าสิบเอ็ดยังบอกพฤติกรรมของชาวนรกด้วยว่าชาวนรกไม่ใช่วาย่ดีจับพัดจับผูลแลอยู่บนในนรกไม่ใช่มันมีเหตุสาเหตุก็คืออะไรอัลลดีนัตตาคอรูดีนาหุมคือบรรดาผู้ที่ยึดเอาศาสนาของพวกเขานะยึดเอาศาสนาของเขาเนี่ยละเวาเป็นเรื่องเล่น มองว่าศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องไม่ได้สำคัญอะไรนะเป็นเรื่องเล่นว้ละอีเบาแล้วก็เพิดเพลินกับการมีชีวิตนะในโลกดุนยาอ่าคราวนี้คำถามว่าผู้ศรัทธานเนี่ยเรื่องศาสนาเนี่ยทำเป็นเล่นไม่ได้ต้องทำแบบไหนจริงจังเออต้องจริงจังแต่เรื่องดุนยาเนี่ยทำให้เสร็จแล้วก็จบอ่า ส่วนเรื่องอาร์เคโรสเนี่ยทำเหมือนกับว่าเป็นโอกาสสุดท้ายก่อนที่เราจะตายอ่าคิดเสมอเลยเนี่ยถ้าเราจะละหมาดฤหัสดบ่ายนี้เนี่ยฤหัสดนี้อาจจะเป็นฤหัสดหรือละหมาดซูฮารีสุดท้ายของเราเราก็จะทําดีอ่าไปทําฮั์ก็เหมือนกันต่อให้เป็นมหาเศรษฐีแต่คิดว่าฮัทนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะไปเยือนแล้วหรืออุมร์รอบสุดท้ายเนี่ยเราก็จะทําแบบสั่งลาเหมือนที่นบีเนี่ยทำฮัจยาตุนวะดาเป็นฮัทครั้งสุดท้าย จะทำให้ดีที่สุดแต่คราใดที่เรารู้สึกว่ามันมีโอกาสที่จะทําซ้ำได้เนี่ยเราก็อาจจะประมาทหรือเลินเล่อ น, นะเพราะว่าไอ้ครั้งนี้พลาดไอ้ครั้งหน้าก็สามารถที่จะแก้ไขได้อ่านะอันนี้คือไม่ได้หมายความว่าศาสนาเนี่ยทาซ้ำไม่ได้นะทซ้ำได้แต่ว่าหมายความว่าให้เราทําแต่ละครั้งเนี่ยให้เต็มที่ที่สุดนะครับคนเหล่านี้เนี่ยเขา เอาเรื่องของความเพลิดเพลินในดุ n y าเนี่ยเป็นใหญ่เอาความมีชีวิตความสุขในโลกดุ n y านี้เนี่ยมาเป็นเรื่องสําคัญที่สุดศาสนาเป็นรองละหมาดเมื่อไหร่ก็ได้ละมาดบ้างไม่ละมาดบ้างไม่เป็นไรแต่ถ้าเงินในบัญชีมันหายไปมันพ่องไปไม่ได้ทำมาหากินหรือว่าเรื่องใหญ่นะสุดท้ายชีวิตความเป็นอยู่ในโลกดุ n y a เนี่ยกอร์รัตฮูมุลไหยะตุด dunya มันลอเขาหมดเลยมันลวงเขาจนกระทั่งไม่เหลือ การปฏิบัติศาสนากิจหรือเหลือก็เหลือน้อยมากเอา จ, จริงจนะพี่น้อง24ชั่วโมงเนี่ยเราจะให้เวลาอิบาร์ด้าเนี่ยสักกี่ชั่วโมงเอาจริงจริงก็แทบจะไม่ไม่จะเยอะอะไรนะเอาแค่เวลาละหมาดเองก็ไม่ได้เยอะอะไรชั่วโมงนึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวบัดนีกูจอ่านในชั่วโมงครึ่งกืบสองชั่วโมงอ่านทำเลยละนี่นี่ใช้เยอะนะอ่าบางคนสามารถทําให้การทํามหากินและได้อิบาร์ด้าไปด้วยทํำยังไง ฟังศาสนาไปด้วยไง <Yeah. S 1> ขายของก็ฟังวิทยุศสีสรามไปสิฟังอัญชันดุดินละไปสิเนี่ยเขาเด็กขายของแล้วได้กําไรฟังศาสนาไปเด้๋ยหูก็ฟังไปอาจารย์คนนั้นคืนบรรยายคนนี้คืนบรรยายนะเดี๋ยวนี้ผมเห็นหลายที่นะร้านอาหารเปิดบรรยายศาสนาแทนที่จะเปิดมังกรเปิดเพลงเดี๋ยวนี้เปิดบรรยายศาสนาแล้วนะครับอัญชันดุดินละอ้าวอัลลอฮฺบอกต่อว่าดังนั้นฟัลยาอมานันซาฮุม ดังนั้นวันนี้เราจะลืมพวกเขาบ้างกามาซูลีกอายมีหิมฮาดาดังที่พวกเขาได้หลงลืมการพบในวันในวันของเขาในวันนี้นะคือเขาไม่เคยนึกเลยว่าวันนี้วันที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเขาจะโดนอะไรเขาจะเจออะไรนะวมากาณูบิอาญาตินาย ah าจหาดูลนะ และการที่บูกเขาปฏิเสธบรรดาอายะของพวกเรา ส, สองสาเหตุนะอัลลอฮ์จะคือไม่ได้อยู่ในสายตาของพระองค์อัลลอฮ์จะไม่ใส่ใจเลยไม่สนใจเลยเพราะในวันกิยามัตอ่ะเพราะว่าในดุนยาเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ใจในเรื่องศาสนาของพระองค์คราว น, นี้มันมีมันมี h a ด i ษอยู่บทหนึ่งนะครับเป็น hadis สาเฮะบันทึกโดยมามมุสลิม ว่าแท้จริงเอาเลอตายแล้ได้พูดได้ตรัสกับบ่าวของพระองค์ในวันกียรมะ้ยนะบอกว่าไงครับอาลัมอูเาวิจกามิข้ามิได้ให้เจ้าได้แต่งงานมีครอบครัวดอกเรือการมีครอบครัวนี่ถือว่าเป็นเนี้มัดที่ยิ่งใหญ่นะทำดีแล้วมีลูกมีคนที่ดูแลมีภรรยาที่ดีมีสามีที่ดีมีครอบครัวที่ดีอาลัม อุกคริมก้าและข้าก็ไม่ได้ให้เกียรติเจ้าหรอกหรือให้เกิดมาเป็นมนุษย์นะให้คนนับตาถือตานะครับอาลามอุซักเคิรและก็ะค่อยละวัลอิบลและข้าไม่ได้ให้เจ้านั้นมีมา้ามีอูดไว้ใช้ประโยชน์หรอกหรือถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้ก็มียานพาหนะไม่ต้องเดินกันม า, ม า, มาฟังบรรยายก็ขี่รถมานะต่อมา ว่อาอดรกตารอะซูว่ตารบนะและที่เจ้าได้เป็นใหญ่เป็นโตได้รับการ น, นับหน้าถือตาเนี่ยไม่ใช่เพราะข้าหรอกหรือก็คืออัลลอฮ์ตายแลาเป็นผู้ให้ทั้งหมดเลยบัญญัูลอาลนั้นแตอันนากะมูลากีเขาตอบว่าเป็นไปตามที่พระองค์นั้นได้ตัดมาทุกอย่างเลยไฟยาคูลเขาตอบ เขาก็ตอบว่าไม่เลยแปลว่าอะไรแปลว่าเขายอมรับในเนี้ยมัดที่อัลลอฮ์ให้เขาทั้งหมดมีบ้านมีรถมีทุกอย่างอัลลอฮ์ให้ทั้งนั้นเลยนะเฟย์กูลูลเฟย์กูรุลลอฮุตาลาอัลลอฮ์จึงตัดบอกว่าเฟเนยามะอันซากะกานาซีนาซีตนีถ้าเป็นเช่นนั้นในวันนี้ข้าก็จะลืมเจ้าดังที่เจ้าเคยลืมข้า ในตอนที่อยู่ในดุนยานะอันนี้คือการสํานึกในความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้กับเรานั้นเวลาที่อัลลอฮ์ยิ่งให้เราต้องยิ่งขอบคุณอัลลอฮ์นะยิ่งขอบคุณยิ่งต้องสูอยู่ต่ออัลลอฮ์นบีเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนมากๆนะครับเพราะอัลลอฮ์ให้นบีเยอะเหลือเกินเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายอัลละฮ์ก็ให้เนยหมัดของเราให้อากาศให้อาหารให้ทุกอย่างแต่บางคนเป็นบางคนก็ยังทอยดลกับพระองค์แล้วก็ไม่ ได้ใส่ใจในเรื่องศาสนาอันนี้ก็เป็นฮะดิษที่อัลลอฮจะตัดกระเบาในวันกิยา์มนะครับอ่านต่อนะในอายะที่ห้สิบสองว่ล้ก็ดจนาฮุมบิคตาบิฟศลนาหูอัลาอิลมกว่ล้ก็ดจนาฮุมบิคตาบิฟ فصلناه على علم ل ن ا ه على علم عل منهدو ورحمة لقوم يؤمنون นั่นและวลายั่นแหละแท้วิลายามาจะตแวลหยกูลุ่นนันนสูห์ม่กับยามาจะติแท้ว قد جاء ت ر س ل ربنا بالحق. قد جاء ت ر س ل ربنا بالحق. ฟะฮัลลัณมิชุฟะะฟะยชุฟะละนาฟัลฟะะฟละนา أو ร ดูฟานะมัลไกรลลาดิคุณนานั่งมัลอัลลอูฟนะมัลไกรลุนานั่งคอข้รูอฟุสะฮุมวัดหลอันฮุมม้านูย แตรูอาลแบุะุมวก็ยัุมม้จะูรูละก็เดจนาหุมแปลว่าและแท้จริงเราก็คืออัลลอฮ์นั้นได้นำคำพีฉบับหนึ่งมาให้แก่พวกเขาแล้ว นั่นก็คืออัลกุรอานพี่น้องครับนะนั่นก็คืออัลกุรอานกุรอานตอนนี้มีคนท่องจำทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสัญชาติไหนเชื้อชาติไหนเนี่ยก็จะมีคนท่องจาบางคนท่องจำได้บางสุราบางคนท่องจำได้ทั้งเล่มอายุที่น้อยที่สุดในการท่องจาพี่น้องคิดว่าเท่าไหร่ได้ทั้งเล่มเลยนะหกขวบครับมีเด็กอายุหกขวบ ท่องจำกุฎอ่านได้ทั้งเล่มแล้วเวลาเขาจะทดสอบการท่องจำนะไม่ใช่ว่าแค่ขึ้นแล้วอ่านไม่ใช่ให้อ่านตั้งแต่ต้นยันจบเลยภายในวันเดียวคือพูดง่ายๆว่าอ่านตั้งแต่ฟาติฮะจนกระทั่งถึงอันนะสคนที่เขาหาฟิตที่ว่าจะได้ชาฮดะจบทั้งเล่มเนี่ยและก็ผิดไม่เกินสามที่ ติดไม่ได้ไม่ติดและผิดไม่ได้เกินสามที่ถ้ามีนึกนานมีแอะมีอะไรผิดเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าไม่ผ่านละโอ้ยเข้มมากนะคือสอบยาวอาจจะมีพักไปแต่ไม่ดูแล้วนะคือพักอาจจะพักไปเข้าห้องนงห้องน้ําอาบน้ ำ, ำนนละหมาดแล้วก็มาอ่านต่อกินข้าวพักอาบน้ําไม่ใช่ว่าพอพักแล้วไปเปิดดูไม่ได้แล้วคือช่องยาวนี้เลยอ่าผมเคยเห็นเขาไลฟ์สดนะทั้งเล่มเลยโอยนานมากแค่เราฟังเรายังเหนื่อยเลยน่า <laughs> ตานทั้งเล่ม ไม่รู้ครับหกขวบเนี่ยอาหรับหรือฟาริสตินหรือเปล่าก็ไม่รู้ <Okay. S 1> เด็กอาหรับนี่แหละ <Okay. S 1> อ่าโซยิมามเชฟีเราก็นี่แหละประมาณเจ็ดแปดขวบก็ท่องจําได้มาแล้วอิมามเชฟีประมาณเนี้ยหกเจ็ดขวบเหมือนกันนะเพราะว่าสิบสิบขวบนี้ได้มุฮัตเตาะละนะครับได้ท่องคัมภีร์ละกําลังจะนําเรียนกับพี่น้องว่ากุรานนี้เนี่ยเป็นคัมภีร์เดียวบนโลกนี้ที่มีคนอ่านเยอะที่สุดไม่มีคัมภีร์ไหนถูกอ่านเยอะที่สุดเท่ากับกุรานแล้ว และก็เป็นคำพีเดียวที่มีคนท่องจำเยอะที่สุดนะและอย่างน้อยมุสลิมเราก็ต้องท่องจำได้สักหนึ่งสุร ค, คือฟาติฮ่านะพื้นฐานเลยฟาตีฮ่ต้องมีแต่สุรอื่นผมก็ได้อีกคุณฮลอลลอกไมนาจพาตสามนะกุญช่นะอายะกุซีเออนะแล้วก็อ่านได้ไม่จาเป็นจะต้องเรียนสูงต้องจบปริญญาตรีปริญญาโทถึงอย่างกูอ่านได้ อ่านหนังสือไทยไม่ได้ยังอ่านกุฎอ่านได้เลยจบป .4 ส, สมัยก่อนเ อ, อเห็นไหมแปลกไหมอ่นี่คือความสะดวกง่ายดายที่อัลลอฮ์ให้กับคัมภีร์เล่มนี้นะแล้วก็ไม่มีการแก้ไขนั้นอัลลอฮ์ให้คัมภีร์ฉบับนี้มาเนี่ยให้กับพวกเขาแล้วก็ทําไงครับกุฎอ่านเอาไว้อ่านอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่เอาไว้บอกเตือนอัลลอฮ์บอกว่าเราได้แจกแจงนุฟัสซิลนูฟัส ว่าฟอซอนนาฮูอัลเ ล, นลินมีแปลว่าเราได้แจกแจงได้อธิบายด้วยกับความรู้และความรู้นี่แหละมันก็จะเป็นทางนําและความเมตตาให้แก่กลุ่มชนที่ศรัทธาเราเรียกคนเหล่านี้ว่าชาวกุรอานอัลลุลกุรานปฏิบัติอย่างแรกต้องอ่านได้ท่องจําได้บ้างและก็ปฏิบัติตามเอากุรอานจะ คุ้มครองเรามีเป็นทั้งเสื้อผ้าและปีมงกุฎมงกุฎให้ด้วยวันนั้นจะมีเสื้อผ้านะสำหรับคนที่เป็นชาวกุรานแต่ถ้าไม่เป็นชาวกุรานแก้ผ้าครับเดินแก้ผ้านะนั้นพวกเราทั้งหลายหวังว่าเราพวกเราจะมีเสื้อผ้าเสื้อผ้านี้ไม่ได้ได้มาจากการที่เราเป็นชาวกุรานมี่าดิสพูดเอาไว้อาวตอว่าอาลัลลอฮ์บอกว่าเขาเหล่านั้นและคนที่รู้คุรานละ่ะ แล้วไม่เชื่อกุรรานละ่ะฮะเรียนซูรุณอิลลาตาวีล่ะคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้รอไม่ได้รอคอยอะไรเลยนอกจากผลสุดท้ายแห่งคัมพีเท่านั้นแหละผลสุดท้ายของคัมภีสุดท้ายสุดของคัมพีเนี่ยคืออะไรครับท้ายสุดของคัมภีที่จะบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นของเส้นทางการเดินดำเนินชีวิตของเราเนี่ยก็คือปลายทางสุดท้ายเลยก็คือไม่สวรรค์ก็นรกน่ย คุาารานี้เป็นคำภีร์ที่บอกถึงปลายทางสุดท้ายเลยและก็ไม่ได้บอกว่าไปสวรรค์ไปนรกไปยังไงอ่าไม่ได้บอกว่าไปสวรรค์ไปนรกอย่างเดียวนะยังบอกด้วยว่าไปอย่างไรไปอย่างไรถึงจะเข้าสวรรค์ได้และทํำยังไงถึงจะห่างไกลจากนรกได้นะสุดท้ายนี้ในคุาารานก็บอกว่านอกจากผลสุดท้ายของคำพีรเท่านั้นแหละที่เขารอคอยวันที่ผลสุดท้ายเห็นคำภีร์มานั้นก็คือวันที่จะไปนรกแล้หรือจะเข้าสวรรค์เนี่ย บรรดาผู้ที่ลืมคำภีรมาก่อนก็จะกล่าวว่าอ่าคนที่ลืมคำภีร์มาก่อนแปลว่าไม่ได้เชื่อฟังกุรด่านมาก่อนเนี่ยก็จะกล่าวว่าแท้จริงแท้จริงอะไรครับกอเดจ่าอัตรู้สูรุลบบีนาบิลหักแท้จริงบรรดาศาสนทูตแห่งพระผู้บริบาลของเราได้นำความจริงมาแลว้วและก็มีผู้ช่วยเหลือ พวกเราบ้างไหมจะมีผู้ช่วยเหลือเราบ้างไหมเขายอมรับนะพี่น้องครับว่ากุรอาฮมีนบีถูกส่งมาแลว้วมีแนวทางในการปฏิบัติแต่กำลังหาผู้ที่ช่วยเหลือคราวนี้อย่าลืมอย่าลืมนะว่าในในในวันกิยามัดเนี่ยอัลลอฮ์ให้สิทธิ์ชฟาฟะนะเขาเรียกว่าการปลดทุกข์ความลำบากด้วยกับ กูรานใครที่อ่านกุรานใครที่เป็นชาวกุรานกุรานจะขอต่อรอดเลยว่าคนคนนี้เนี่ยในดุนยาเขาปฏิบัติตามฉันเขาได้อ่านฉันเขาได้อ่าได้อะไรนะได้ท่องจําได้อ่านได้ปฏิบัติตามเนี่ยกุรานจะขอชะฟาให้กับบุคคลนั้นให้ให้อลลอฮ์ได้ช่วยเหลือคนเหล่านั้นนะแต่คนไม่ได้อ่านกุรานคนไม่ได้ศรัทธาก็ไม่มีซึ่งพวกเขาก็จะขอความช่วยเหลือให้แก่พวกเรา ซึ่งพวกเขาจะได้ขอความช่วยเหลือมีไหมอื่นนอกจากอัลลอ์นอกจากกุรานเนี่ยที่จะเป็นชาฟาอาให้เนี่ยมีอื่นอีกไหมหรือไม่ก็ให้พวกเราเนี่ยถูกนำกลับไปแก้ตัวใหม่ อ, อัลลอฮ์ักบัดอยากจะกลับมาอยู่ในดุนยาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะมาศึกษากุรานมาเอาจริงเอาจังกับการเป็นคนดีนะแล้วพวกเราก็จะปฏิบัติอื่นจาก ที่เคยทําตัวแย่ๆมาเมา่อก่อนไอเมอก่อนที่ไม่ได้เรียนกุฎอ่านย่อกรมะให้ไปเรียนกระโดดนะฮเออแต่ถ้าภาษาอังกฤษแต่ฉันนันดับหนึ่งแต่ถ้ากุฎอ่านไว้ก่อนอ่ากุฎอ่านว่ายังไงฉันสวนหมดเป็นชาวสวนนะไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้อะไรเลยนะแล้วก็บางคนขอมาอัพนะเอากุรอ่านมาเป็นเครื่องประดับอย่างเดียวเลยแปะเต็มบ้านเลยจตอ่านไม่เป็นเข้าไปในบ้านโอ้โหเดี๋ยวก็อาย่นั้นอาย่านี่ฉันเคยมีนะ ไปบ้างคนมีสื้อตังไปนั่งอา่านไอ้กุฎอ่านที่เป็นเป็นอะไรเป็นผ้าเนี่ยฉนั้นบอกนี้เขาเขียนพวกความสวยงามจริงมันอ่านได้แหละนี่อ่านอย่าไปอ่านตรงนั้นเลยอ่านที่ที่เป็นเล่มดีกว่าเพราะไอ้ที่มันเป็นเ น, นี่างเนี่ยเขาเขียนตวัดไปตวัดมาเขียนสะวัดอ่านยากไหมอ่านยากเด็คอทคอทของเขาเนี่ยมันเป็นคอทที่ไว้สวยงามแต่เวลาอ่านจริงมันอ่านไม่ได้อ่านยากต้องแต่อ่านได้แต่ต้องคนเป็นอ่าแต่ว่า เชื่อไม่ว่าแเปะกันมาเนี่ยรุ่นปู่รุ่นญ่าเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าอาย ะ, ะไรฉันบอกย่าฟัฮะบอกรองเอาฟัดิฮะเหรอฉันก็นึกว่าสุร้อื่นไอ้อย่างนี้ไม่มีประโยชน์พี่น้องนะสวยอย่างเดียวสวยงามรู้ว่าเป็นบ้านมุสลิมแต่ไม่มีการอ่านกุราอ่านไม่มีการปฏิบัตินะอา้าวพูดต่อบอกต่อว่าขอกลับไปแก้ไขใหม่ ฉันจะไปปฏิบัติตัวใหม่ไม่เหมือนเดิมแล้วนะและพวกเรายังความขาดทุนให้แก่พวกเราเพราะไอที่ทำมาก่อนเนี่ยมันขาดทุนคอซีรูมันขาดทุนแกพวกพวกเขาเองพวกเขาได้ยังความขาดทุนแก่พวกเขาเองเอลัลลอฮ์บอกนะ ท, ทำตัวเองทำตัวเองไม่ได้ไม่ได้มีใครมาบังคับซะหน่อยก็ไม่เอาเองอะ่ะ เออมีของดีสมมุตินะมีของดีเอาพูดถึงเรื่องของกินง่ายดีมีของกินกับของบูดของเน่าเนี่ยและคนไปกินของเน่าเนี่ยจะไปโทษคนอื่นได้ยังไงเขาเอาของดีมาให้ไม่กินและสิ่งที่พวกเขาอุป โ, ปโลงขึ้นนั้นได้หายไปจากเขาหมดเลยแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้สิ่งที่เขาบอกว่าอันนี้มีอํานาจศักดิ์สิทธิ์อันนั้นแจ๋วอันนั้นดีอันนั้นจะช่วยนูน่นช่วยนี่ทํามาหากินค้าขึ้นแล้วก็ไปบูชาสักการะมันวันกียรมัดไม่เหลือเลยพี่น้องอัลลอฮ์ต้อนลงนรกไปหมดแล้ว ตามชัยตอนไปหมดเลยพวกจวิตต่างๆหรือสิ่งที่เขาอุปโลกมาทั้งหลายนะอ่ะนี่ก็คือคำแก้ตัวอีกอันหนึ่งนะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเครื่องร้ไม่ได้ให้กลับไปอยู่แล้วมันสายไปแล้วแต่ถามว่าถ้ากลับไปจริงจะเป็นอย่างนั้นไหมไม่จริงครับมันแค่คำแก้ตัวเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนเนี่ยมันไม่รอ ย, ยนตายหรอกคนเราเนี่ยมันคือสุดท้ายนี่คือตายไง คือจะบอกว่าตายไปแล้วจะแก้ไขใหม่เนี่ยเป็นไ ป, นปนไม่ได้แล้วขนาดอัลลอฮฺผ่อนให้จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายเนี่ยเพื่อสุดท้ายยังไม่เอามีหรอมันจะมันจะมันจะแก้ไขนั้นมันก็เพียงเครียดเพียงแค่ความหวังลมลมแรงๆนะครับใุาาหให้อายุมาเท่าไหร่นะบิสมิลลาเพื่อการแก้ไขอ่ะเดี๋ยวอ่านต่อนะในอายะที่ห้าสิบสี่นะครับห้าสิบสี่ค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะประมาณสาบรรทัดกว่า อินนั้รับบักุมุลลาห์อัลลอฮ์ที่ خلق السموات والأرض อินนั้รับบักุมุลลาห์อัลอี่ خلق ا ل า م و ا ت و ا อัลลอลี่ خلق ا ل า م و ا ت والأرض ฟีส ตัดที่ ي ا م ทั้ง مستوى على الأرش ألي خرق السماء و الأرض بسيت تتي أيام ثم س ت و ى يغش ي الليل النهار يطلبه ح ف ي ث ا والشمس والقمر. يغش ي الليل النهار يطلبه ح ف ي ث ا والشمس والقمر. ว ا ل ชัมส์และวันความราและดวงจุลภาคขรรติใอัมริ อัลลอฮฺลคัลกฺวลอัลมรุทํบารักอัลลอฮฺรับบุลอาลามีนอัลลอฮฺลกลกวลอัมรุทบารกัลลอฮรบบุลอาลามีนอ่ะมาดู พวกเราทั้งหลายที่กําลังสักการะต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาแหละอัลลอฮ์ตาแหละทำไมเราต้องสักการะอัลลอฮ์ด้วยก็อัลลอฮ์นี่เป็นผู้สร้างนะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างและมักคุลุกทั้งหมดนะที่เราเล็กสร้างมักคลุกมาเนี่ยสร้างมนุษย์มาให้อิบาดะต่ออัลลอฮ์เล็กก็ยังสร้างมัคลุกอื่นๆมาเพื่ออำนวยความสะดวก อ่าไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นสัตว์ต่างๆอากาศนะครับนักดาราศาสตร์ได้ค้นพบว่าระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์เนี่ยถ้าเพิ่มขึ้นถ้าใกล้เข้าไปเนี่ยโลกเราก็จะร้อนอยู่ไม่ได้ถ้าออกห่างละ่ะหนาวเห็นไหม น, นี่คือความพอดีที่เอาเล่อให้กับโลกเราจึงมีสิ่งมีชีวิตอยู่นั้นมันก็มีคน น, นะนะ พยายามจินตนาการว่าอาจจะมีมนุษย์อีกอยู่ตรงโลกไหนตรงไหนก็ไม่รู้อ่าจริงๆแค่ในโลกนี้ก็ไม่ไหวล้ว่าอันนี้จะไปหาอยู่นั่นแหละนะซึ่งมันไม่มีอันไหนที่เหมาะสมในดุนนอกจากนี้ได้ครับในดุนยาเนี่ยแหละเพราะว่ามีความคิดจะไปอยู่ที่โลกอื่นเลยนะอ่ามีโลกหนึ่งไปอยู่แน่โลกกูโบอันนี้ได้ไปอยู่ตายพวกไปอยู่ในบาซักอ่าครานี้ ในในโลกดุนยาของเราเนี่ยในในในโลกของเราเนี่ยอัลลอฮ์สร้างขึ้นมาจากที่ไม่มีอนะอัลลอฮ์สร้างอินนารับบากุม yes. <upbringing> ุลลอฮุลเลดีคอลลากะซะมาวาติวัลอัตอัลลอฮ์นั้นแท้จริงผู้พบพบพระผู้อภิบาลของเราใช้คําว่ารับเนียพระผู้อภิบาลของพวกเรานั้นคือใครอัลลอฮ์อัลลดีคอละากะซะมาวาติวัลอัตผู้สร้าง บรรดาชั้นฟ้าแล้ว ก, ก็แผ่นดินอ่าบรรดาชั้นฟ้าซึ่งฟ้าก็มีเจ็ดชั้นสบาสมาวัตแล้ว ก, ก็แผ่นดิน ด, ดินก็มีเจ็ดชั้นด้วยนะแต่นี้พูดถึงดินรวมรวมนะดินก็มีเจ็ดชั้นฟ้ามีเจ็ชั้นดินมีเจ็ดชั้นตลอดจนสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองใบนะาหูมาหมายถึงเนี่ย ตั้งแต่ดินขึ้นไปใต้ดินด้วยรวมไปถึงบนฟ้าและอยู่ระหว่างทั้งสองอบนหน้าดินนี่ก็ไม่ไหวจะบอกและมีอะไรบ้างบนหน้าแผ่นดินใต้ดินอีกบนฟ้าอีกนี่คืออัลลอฮ์สร้างทั้งหมดเลยในเวลาทั้งหมดหวันซิตตะแปลว่าหวันดังที่พระองค์ได้บอกเอาไว้ในหลายอายะ ในสำนวนเนี่ยมีเยอะมากเลยฟีซิตติอายามินฟีซิตติอายามินเนี่ยคือหกวันหกวันมีวันไหนบ้างอ่าอาหรับเนี่ยเวลาจะเริ่มวันที่หนึ่งพี่น้องรู้ไหมวันที่หนึ่งคือวันที่อะไรยาวบุนอหัตวันแรกเลยของสัปดาห์เนี่ยไม่ใช่วันจันนะคือวันอาทิตย์อาทิตย์นี่คือวันแรกของสัปดาห์ที่เยาวบุญอหัตวันอาทิตย์ อ่าแต่เราเนี่ยจะคิดว่าวันจันทร์คือวันแรกเพราะอะไรเพราะวันจันทร์เราทํางานไงวันที่วดนหยุดอวันวันเริ่มต้นสัปดาห์เราจะคิดว่าวันจันทร์โอ้ยทําไปเรียนหนังสือแต่จริงถ้าเรียงลาดับนะต้นสัปดาห์ต้นก็คืออาทิตย์แล้วก็จันทร์จันทร์ในวันที่สองแล้วยามุยสเนนนะยามุยอาหัรยามุยสเนนนะครับแล้วก็วันอังคารวันพุธนะและวันพฤหัสยามุยคอมมส แล้วมาจบวันไหนวันสุดท้ายที่เอาล้อสร้างเสร็จไม่ใช่วันเสาร์สิวันเสาร์ไม่มีวันศุกร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์วันเสาร์น่ยมีแต่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการสร้างอาทิตย์มีเจ็ดวันอยู่แล้วแต่สร้างแค่หกวันมาเจ็ดมาเสร็จวันที่วันที่วันศุกร์ซึ่งในวันศุกร์นั้นเป็นวันสร้างเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งการบังเกิดมนุษย์คนแรกคือนบีอาดัมด้วยอันนี้อยู่ในตับซีดนะตอบรอนีอ่าไม่ได้คิดเองเออเองนะอยู่ในตับซีดตอบรอนีอลัลลอฮ์สร้างเสร็จสมบูรณ์เลยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์จยันทร์อังคารพุทธตัรหัสสุกสุกในเสร็จสมบูรณ์รวมถึงนบีอาดัมเราด้วยและก็สิ่งมีชีวิตทั้งหมดบรรดานักวิชาการมีความเห็นแตกต่างกันว่า เวลาแต่ละวันมีความเหมือนกับทุกวันนี้ไหมเออหรือวันหนึ่งนี่จะยาวกว่ายาวนานเท่ากับหนึ่งพันปีดังที่มุญา h ิ d ได้บอกเอาไว้อันนี้วันลอฮวาอัลลัมแต่แน่นอนแหละในวันกิยามัตเนี่ยเราเราเรารู้เลยว่าวันหนึ่งในวันกิยามัตไม่เหมือนกับดุลยาแต่ตอนสร้างนี่ว ah ันลอฮวาอัลลัมนะ อิหมัมอัมมัดได้รายงานจากบูร์บอกว่าท่านรอซูลได้จับมือของฉันแล้วกล่าวว่าอัลลอฮ์ได้สร้างได้สร้างดินอ่าสร้างดินภูเขามีดินแล้วก็ภูเขานะเทือกเขานะครับเทือกเขาในวันอาทิตย์นะสร้างต้นไม้วันจันนะมีรายงานด้ยบริพน ย, ยอิหมามอัมมัดนะอ่ามีอะไรบ้างเนี่ยได้สร้าง สิ่งที่ไม่ค่อยดีในวันอังคารนะเด้สร้างรัศมีในวันพุธนะได้ให้สัตว์แพร่กระจายในวันพฤหัสและก็ได้สร้างอาดัมหลังจากเวลาอัสรี่ของวันศุกร์ฮัลโหลนี่รายละเอียดนะถือว่าเป็นสุดท้ายของการสร้างก็คือวันสุดและวันศุกร์นี่คือสุดท้ายแหละนะซึ่งอยู่ในช่วงสุดท้ายของเวลาจนกระทั่งเริ่มเวลาค่านะอาทิตย์นี้บันทึกโดยอิมัมมุสลิมและก็อิมัมอาหมัด นะส่วนไกฟียะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องไปถามเพราะเดชานุภาพขอวออลัลลอฮ์บอกจงเป็นมันก็เป็นนะไม่คล้ายๆกับเรื่องที่เราตว่าจิรอบนั่นแหละทำไมละหมาดดุรีต้องมีสีลักกะอ่ะอ่ะนี่ก็ถามไปเรื่อยได้ไหมนั้นอลัลลอ์สร้างหกวันเราเชื่อว่าสร้างหกวันแค่นั้นนะครับรแล้วก็วันกียาม่านีัาวันุกรวันกยามันก็ ว, นกนกวันสุ สร้างเสร็จก็วันศุกร์ <c oughs> เห็นไหมวันที่อาดัมลงมากบวันศุกร์วันศุกร์จึงเป็นวันสำคัญในรอบสัปดาห์นะครับต่อมาซ <c oughs> ุมมาสตาวาเ ล, ลอร์อานี่แหละประโยคนี้แหละโอโ้โหเถียงกันเป็นตูเป็นตานะเยอะไปหมดนะครับ <c oughs> แต่ในนี้เขาบอกว่าขอนะแปลว่าอะไรในหนังสือเนะี่ยผมแปลตามหนังสือนะหนังสือแปลว่า ทรงสถิตอยู่บนบันลังทรงสถิตอยู่บนบันลังสําหรับผู้คนในเรื่องนี้มีความพูดมากมายมากในหนังสือบอกนะซึ่งในเรื่องนี้จะไม่ขอนํามาเก่าเพราะมันยาวเหลือเกินแต่เราจะขอนําทัศนะของชาวสลับที่ดีมากล่าวไว้เช่นอิหมัมมาลิกอันอัซาอีตารีอัลเลฟนะครับซาดและอิหมัมเซฟีก็เชื่อแบบนี้อิหมัมอามัดอิสฮากนะครับนะักวิชาการระดับแนวหน้าทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ บอกว่าเหมาะสมแล้วกับสถานภาพของพระองค์ซึ่งเป็น ท, ที่ทราบดีว่าการกระทําหรื อ, อการดังกล่าวนี้เนี่ยไม่เหมือนกับมะขลุกคือพอบอกสถิตหรือบอกประทับปั๊บก็จะไปตีความหมายว่าเหมือนเหมือนคนเหมือนมันมะขลุกซึ่งไอ้คนตีเนี่ยมันบอกว่าเหมือนมาเลยตีความแต่นั้นคนที่เขาบอกว่าไม่เหมือนนั่นแหละเขาบอกว่านั่นแหละเขายอมรับในกฎที่ว่าไลซ์กามิสลีฮีชัยอุน ไม่มีสิ่งใดจะเสมอเหมือนพระองค์วะซาหามนวะสซามีอุนบาซีรและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นนะครับสุดท้ายเราก็มอบอ่าเขาเรียกว่าฮากีกัดหรือความลักษณะที่แท้จริงเนี่ยให้กับอัลลอฮ์ตาฮลาไปเลยนะครับไกฟียะอย่างไรว่ารอฮวาลัมนะเราเชื่อตามที่อัลลอ์บอกเพราะว่าไม่มีใครจะรู้ดีไปกว่าอัลลอฮ์ตาลาเลวนะ มันชบะฮ์มันชบะฮัลอบีคลบีคลกีฮีอันนี้เหมือนกันนะใครที่เชื่อว่าเอาใครที่เชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยไปเหมือนมะขลูกอ่าใครที่เอาอัลลอฮ์เนี่ยไปเปรียบเทียบหรือไปทําให้เหมือนมะขลูกกาฟารอถือว่าเป็นกาเฟตเลยวะมันฑะฮ์ดะมาวะซอฟัลลอหูบีฮีนับเซหูกัดะกาฟัตและผู้ใดที่ปฏิเสธสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกลักษณะเอาไว้ อลัลลอฮ์บอกมีมือปฏิเสธอลัลลอฮ์บอกมีวัตจมีใบหน้าปฏิเสธนะเขาก็เป็นกาฟเฟตอย่างแน่นอนปฏิเสธก็ไปได้อัลลอฮ์บอกว่ า, าวมีไงมีงั้นแล้วถ้าเอาไปเทียบเหมือนมะขลุกกับกาฟเฟตเหมือนกันนะดังนั้นตรงนี้เนี่ยเ ป, เ, เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราต้องวางไว้ให้ดีนะซึ่งซาลุฟซาลาฟุตอลเล่เนี่ยอยู่ตรงนี้แหละเชื่ออิสบาด ท, ที่ซีฟัตว่ามีเป็นอย่างงี้เป็นซีฟัตคือคุณลักษณะไม่ใช่อวัยวะ ห้ามแปลวิวะฒน์เด็ดขาดาวิวัฒน์ใมนุษย์แต่นี่แปลว่าซีฟัตซีฟัตวัดซีฟัตใบหน้าซีฟัตมือเป็นยังไงว่ลาลอว่าแล้วมอบหมายไปนะนี่คือการเชื่อตามซาลาฟุสซอเละนะครับอ่ะอันนี้ผมไม่อยากอธิบายเยอะนะเพราะว่าเขาเถียงกันเยอะแล้วเรื่องนี้ <c oughs> อา้าวต่อมานี่แปลาตามหนังสือเลยตับซีนูกนะาซีดนะเชฟฟีโดยมาทาําชฟฟีเนี่ยอ่าเอาต่อมา ยุคชิดลลยหละนาฮาร์ยุตุลูบูฮูฮาสีสันอออัลลอฮ์นะเพราว่าไงพระองค์ทรงให้กลางคืนเนี่ยครอบคุมกลางวันรู้จักครอบไหมกลางคืนครอบอ่าตรงเนี้ยเป็นการบอกว่าโลกกลมถ้าถ้าติดพึบเลยเนี่ยมันก็คือแบนเนี่ยถ้ากลมนี่ก็คือค่อยๆเหมือนเราเราเราเอาอะไรพูณพูด ม, ม, มีลูกกรอบลูกบอลนะแล้วเร า, เ อ, าอะไร ทับเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นไงค่อยๆครอบเใช้คําว่าครอบโลกกลมนะกลางคืนครอบกลางวันและในสภาพที่กลางคืนไล่ตามกลางวันอย่างรวดเร็วคือมันก็จะไล่กันไปอย่างนี้แหละคําว่าไล่ตรงนี้หมายถึงว่าทันกันไหมมันก็ไม่ทันกันหรอมันก็ไปกันมันนี่มันหมุนกันมัไมใช่ไหมล่ะกลางคืนเสร็จก็กลางวันกลางวันมากลางคืนคืนมากลางวันมันเชื่อมกัน และค่อยๆเปลี่ยนด้วยทําไมต้องค่อยเปลี่ยนเพราะไอาการเปลี่ยนแบบทีเดียวเลยเนี่ยสายตาเราเสียนะถ้าพี่น้องเคยขับรถเนี่ยขับรถจ้าจ้ า, จ, าจ้าเลยนะแล้วลงอุโมงบางทีแป๊บหนึงนะ่งเนี่ยมองไม่เห็นเลยเพอวันจากสว่างปั๊บมามืดปับ๊บสายตาเราจะมองไม่เห็นสักพักหนึ่งค่อยๆปรับสายตาเราเนี่ยมันยังมีรูม่านตาคอยปรับอัตโนมัติอยู่ไปสักพักหนึ่งสมมุติปิดไฟสักพักหนึ่งอ่ะ ตอแรกสว่างปุ๊บปิดไฟมองไม่เห็นเลยพอสักพักนึงเราจะเริ่มมองเห็นละตาเราอันนี้เอาล้อให้ตาแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยนะไอ้ขอโทษทีให้ตาของสิ่งมีชีวิตไม่เหมือนกันเหี่ยวพวกเนี้ยมองไกลๆเห็นเอ่อตาแต่ละอันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ตามนุษย์เนี้ยมีขอบเขตอยู่แค่นี้บอกต่อว่าเอาล้อสร้างอะไรอีกสร้างดวงอาทิตย์นะครับดวงจันทร์ นูจูมแปลว่าอะไรบรรดาดวงดาวมุสซัคคอร์ติบิลอัมรีเลก็ให้มันเลทถูกกําหนดถูกโปรแกรมเอาไว้ถูกกําหนดเลยให้ทําหน้าที่ตามบัญชาของลอติธิมีหน้าที่ทำอย่างนี้ก็ดวงจันทร์มีหน้าที่ทางนี้ดวงจันทร์มีหน้าที่อย่างนี้ให้มีหน้าที่แล้วก็ใส่โปรแกรมเอาไว้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันจะทําตามอาเภอใจไม่ใช่มีผู้บริหารและควบคุมก็คือลอตาล่ะ อาลลาฮุลขัลกุลอัมรพึงรู้ไว้เถิดว่าการสร้างและกิจการเนี่ยการบริหารเนี่ยหมายถึงกิจการหมายถึงการดูแลบริหารเนี่ยเป็นสิทธิทขอบ้องดังนั้นเวลาฝนตกเวลาเกิดพายุเกิดอะไรเนี่ยเราเป็นมนุษย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคดีอะไรนะไปไปไปว่าไปดา่าลมด่าฝนเพราะว่าาด่าปั๊บนี่เท่ากระดาผู้บริหาร มีหน้าที่อย่างเดียวก็คืออดทนสบัดขอดูอาให้รอดพ้นจากอาซาบน ะ, ะแล้วก็มีทิกมาอยู่แล้วแน่นอนว่ามีทิกมาอยู่เอาต่อมาตาบาเราก็ลอผู้รับบุญอาแลามีปิดท้ายก็คืออัลลอฮ์นั้นทรงสิริมงคลทรงจำเริญความจำเริญ น, นั้นนะมีแด่อัลลอ์าตาแลลวผู้ทรงอภิบาล บริหารแห่งสากลละโลกนะครับนี่ก็คือเรื่องของอาการสร้างของอัลลอฮ์นะคาว่าวันไลดิซาบิโกแปลว่ากลางคืนจะไม่ล้าหน้ากลางวันมันจะไล่ติดตามกันเอไม่มีไม่มีมมแบบไปชนชนแบบทันกันก็สลับกันไปดาวบางดวงอยู่ต่ำดาวบางดวงอยู่สูงเห็นไหม แหม่เนี่ยคือการสร้างคืออันนี้จะเป็นรายละเอียดนะครับที่นับศีก็บอกเอาไว้นะอ่ะเดี๋ยวเราอ่านกันต่อนะในอายะที่55แล้วก็56อุดะอูรับบักุมตะบรูอ้าวะคูฟียะอุดะอูรับบักุมตาบรูอ้าวะคูฟียะอินนั่หูลายุฮิบุลมุตดีน إِسْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِسْلَاحِهَا อวยา่อินนาะรหมตาัลลอฮกอรีบุมีนัลมุฮซินนอินนรหมตาัลลอฮกอรบุมนัลมุซินนอ่มาดูความหมายนะเรื่องขอดูอาแลว ในเราเมื่อเราใ น, ในเมื่อเรารู้เลวอ่ะอัลลอนั้นทรงเดชานุภาพนะครับพระองค์นั้นทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินนะรวมถึงสร้างพวกเราทั้งหลายนะแน่นอนว่าเวลาเราจะขอดูอาเราจะไปขอกับมักลุกด้วยกันเนี่ยก็ถือว่าลดระดับนะมนุษย์บางครั้งไปขอดูอากับสิ่งที่แย่กว่าแย่กว่าตัวเราอีกนะ แต่ละตาลาใช้เลยนะว่าให้ขอดูอาข อ, อกับผู้สร้างก็คือพระองค์อุดเดาจงวิงวอนต่อพระผู้อภิบาลของเจ้าตาดรออาวคุฟยในสาภาพสำรวมตนและก็ปกปิดนะคำว่าคุฟยเนี่ยคำว่าปกปิดตรงนี้แปลว่าอะไรเดี๋ยวเรามาอธิบายนะ อ, อ, อัลละฮ์ตาลาผู้ทรงสูง ส, ง, สงได้แนะนำ นะครับบรรดาบ่าวของพระองค์ให้ขอพรในเรื่องที่ดีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเวลาเราขอดูอาพี่น้องนะครับเราอย่าขอเฉพาะเรื่องดุลยาอย่างเดียวนะขอเรื่องอาคีรอดด้วยบางทีเนี่ยสิบเรื่องเนี่ยดุลยาอย่างเดียวเลยกี่ไม่มีเรื่องอาคีรอดเลยไม่มีเรื่องนรกไม่มีเรื่องสวรรค์เลยไม่เดือมีม่ไม่มีเรื่องอาดาบในกูโบเลยขอแต่ความเป็นอยู่ในเรื่องดุลยาถ้าถามว่าเราขอในดุลยาเราได้ไหมได้ก็จะได้เฉพาะดุลยยา แันั้นต้องขอทั้งในในดุนยาและก็ขอในโลกอาคีรอดด้วยขอแบบไหนครับในสภาพสำรวมตนและก็ปกปิดบางท่านบอกว่าการวิงวงในสภาพสำรวมตนก็คือสงบสเสงียมและใช้เสียงเบาอ่าซ้ อ, อนเดิมของการขอดูอาเนี่ยไม่ใช่ตะโกนเพราะการตะโกนบวกเวกเนี่ย มันแสดงถึงความสงบสงเเกรมไหมไ ม, ไม่สมาธิจะออกมาได้เนี่ยใช้เสียงเบาแล้วก็ดูไม่น่าไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่น่าไม่น่าไม่น่ า, ไ ม, นาไม่น่าดูด้วยรู้มีคนคนหนึ่งนะมายืนขอดูอากะจริงนะโอ้โหตะโกนสามบ้านแปดบ้านเขาว่านว่เจาบ้าแจ้งตำรวจคุ้มคัองหรือเปล่าอ๋อ <laughs> นี่จริงเลยนะฮัทยา พ่อมีอิหม์มีซอฮิอิห ม, มบุคอรีอมมได้หมุบูซมรายงานโดยอบูอบมูซาอัลอาชารีได้เล่าว่ามีคนหนึ่งแกก็เดินทางใช่ไหมพอเดินทางเนี่ยเวลาที่ขึ้นบนภูเขาเนี่ยแกจะดูอาค่อยพอลงไปในเหวเมื่อใดหรือเป็นหลุมเมื่อใดเนี่ยแกจะดูอาเสียงดงังใช้คาว่าแหกปากเลยก็ได้ทําไมล่ะเพราะเขาคิดว่าไอตอนอยู่ที่บนทุงสูงเนี่ยเอาเราจะได้ยินง่าย ใช่ไหมเพราะเขาเชื่อวอ่าลอ ย, อ, ล อ, ยอยู่บนฟ้าเขาก็เลยบอคอยู่ที่สูงปับ๊บก็เลยเบาแต่พอลึกๆปั๊บยิ่งอยู่ใต้ดินนี่นะโอ้โหตรงดังเพราะว่ากลักวล้วล้อไม่ได้ยิน <c oughs> หมายถึงความการได้ยินของล้อกลัวจะไม่ถึงซึ่งอันนี้ไม่ใช่เพราะกอัวอ่าล้อตายลอัลลอฮฺะฮดีสก็บอกว่ายาไอูฮันนัสบีบอกเลยนะว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลายเอรบาอูาอลัลาอันฟุสกุม พวกทานทั้งหลายจงให้เพลาลงหน่อยไม่ต้องตะโกนบวกเวกเสียงดังเพราะไดฟัอินนะกุ้มลาตาดอูนะอาซ่อมเนเพราะท่านกําลังขอดูอากับผู้ที่หูไม่ได้นวกเออขอดูอากับอัลลอฮ์ไม่ได้หูนวกนะแล้วก็อัลลอฮ์เป็นไงฮัวลาอีบันอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ไกลอัลลอฮ์อยู่ใกล้ตรง น, นี้หมายถึงอะไรความรู้ของพระองค์การได้ยินของพระองค์อินนลอินนาดีนตาโดซาหมินกอรีบเพราะอัลลอฮ์นั้นได้ยินและก็ทรงอยู่ใกล้ อีกข้อหนึ่งอินนาอินนาหูลาอยู่ให้บุลมัวแต่ดีนอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงพระองค์ไม่ทรงชอบบรรดาพูดละเมิดห้ามมิให้ละเมิดขอบเขตของการขอดุอาคืออะไรหมายถึงหมายถึงเขาจงอย่าขอเกินสถานภาพตัวเองอันนี้ห้ามนะเช่นขอให้เขาได้เป็นนบี ได้ไหมเนี่ยมีที่ไหนล่ะ mm hmm. ยาวรอขอให้ฉันได้เป็นนบีด้วยเถิดมันไม่มีแล้วนบี ส, สุดแล้ว mm hmm. แต่นบีเนี่ยเป็นคนดีไหมคนดีแต่ขอเงี้ยมันไม่ใช่และเกิน mm hmm. ขอให้ฉันเดินเหินห่ออากาศได้ด้วยเถิดยาาวรอฉันจะได้ไปทำพัดไม่เสียตังค่าเคงบินเว็บ mm hmm. ได้ <c oughs> อั น, นี้มึงขออะไรเนี่ยขอให้ฉันอิม่มทิพย์ด้วยเถิดมันต้องกินข้าวเอาขอเรื่องดีไหมเนี่ย ดีนะไม่ต้องกินข้าวอะแต่อันนี้อย่าขอแบบนี้อันนี้มันเลยเถิดขอให้มันเป็นคนปกติเขาอขอเป็นคนบ้าขอให้เป็นนบีงี้ขอให้ฉันเหมือนมาริการ์ดเลยเถิดอรอว่าบัดนี่เห็นไหมขอดีแต่ว่าเลยเถิดดีดีจริงแต่ว่าไม่ใช่ไม่ได้นี้เอาร้อห้ามาไว้เขาขอตัวว่าอย่าขออะไรที่มันเลยเถิดขอให้เหมาะกับสภาพเราเราเป็นคนก็ขอให้เป็นคนเนี่ย ขอเป็นมาเลกา้าไ อ, อ, อ้มามอาัมาัดได้รายงานมาจากอิมนนอุมามะบอกว่าอับดุลลอฮ์อิมน่มูกอเฟลได้ยินรูชายของเขาดูอาแต่ดูไนดะ้เขาขอยไงอัลลอฮุมะอินนีอัสอลูกะกัสรออัลอบยอบโอ้อัลลอฮ์ฉันขอต่อพระองค์ให้ได้รับประสาทสีขาวอยู่ทางด้านขวาของสวรรค์แหมเจ๋วเลยนะอันยามีนีจนเจนนะอีดา ด, า, ดาคอนตุฮาเมื่อฉันเข้าสวรรค์นะ ฟากล ا ยยาบุเนียซัลสลَลลาฮัจญ์นَโอลูรักเจ้าจงขอสวรรค์ต่อ่อเถิดนะ ب า ه ุ م บ ن َี ل ن นา ا ัِและขอความคุ้มครองให้พ้นจากนรกฟาอินนีเซมิอัตุรอสูละลอ ل ิสซาลาฮฺวายเลห์วาซัลลัมยากุล <ول> ฉันได้ยินท่านรอสูลในกาว่ามีคนกลุ่มหนึ่งได้ขอการละเมิดและขอ อ่าขออ่เป็นเป็นกลุ่มหนึ่งละเมิดในการขอพรและทำความสะอาดคือเกินไปอันนี้ก็คือขอให้ได้สวรรค์แต่ว่าถ้าขอสวรรค์ก็ขอชั้นสูงสุดนะชั้นอะไรฟิดดาวสออันนี้มันรายละเอียดเยอะขอประสาทสีแดงสีขาวขอผู้หญิงเอาสวยๆเอาหน้าคมๆนะอะไรเงี้ เดี๋ยวเราจัดให้นะขอให้เข้าสวรรค์ก่อนไอ้นี่มันเป็นรายละเอียดในสวรรค์หมดเลยขอมาบินได้สักสองตัวนะฉันยโอ้โหอัลลอฮ์วันหนึ่งเนี่ไม่รู้ขอกี่สิบอย่างเดี๋ยวอัลลอฮ์เตรียมให้ไม่ต้องพวงในสวรรค์นี่ยยาวลอขอทุเรียนในสวรรค์สักสามต้นนะอะไรเงี้ยนะไม่ต้องขนาดนั้นขอให้เข้าสวรรค์ก่อนและขอให้ได้สวรรค์ชั้นฟิสดาสอันนี้ดีมากเลยนะวัตถุหูเลยเถิดเรื่องความสะอาดฉันเคยเล่าอย่างเลยเถิดความสะอาด เกินไปไงเหรียญก็กลัวเปื้อนไปหมดไปซื้อไปตลาดมาร้านมีร้านหมูขายเอาเหรียญมาเอาแบงค์มาล้านงน้ำดินโอ้โหกลัวเปื้อนไปหมดเกินไปอ่าอะไรก็เปื้อนไปหมดมีคนคนนึงละหมาดบนกล่องวุย๊ยไม่ได้เราละหมาดไม่ซอ้อเราละหมาดบนกล่องต้องละหมาดบนสยามดาทำไม่ปูผ้าสยดาดาละหมาดไม่ซอ้อเกินไหมเนี่ยเกินโอ้ยแล้วนี้ยุงแม่ อ่าถ้ากลับบ้านต้องอาบน้ําก่อนเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่สะอาดละหมาดเขานอกไม่ได้เลยพวกนี้ต้องละหมาดในห้องเก็บปลอดเชื้อ <c oughs> เกินไปศา ส, สนาไม่ทําให้ลําบากเนี่ยเกินเรื่องต่อฮารโรกลายเป็นกลายเป็นโรควิตกจรินะครับแล้วก็บาบบาบแรกของวิสวัตชัยตอนมันจะเล่นเรื่องวิสเรื่องอะไรเรื่องต่อฮารโรนี่เลยเพราะมันเล่นเรื่องต่อฮารโรนี่ละหมาดไม่ได้เลยนะ โอ้โเปิดไปหมดเลยเดินตลาดมาเนี่ยคุณมันต้องมีขี่มงขี่หมาต้องมีน้ําคำโดนโอ้ยละหมาดไม่ได้สุดท้ายผลสุดท้ายคืออะไรครับทิ้งละหมาดเข้าทางมันเลยอเลบอกต่อเวลาทูปซีดูฟินอารเอียได้สร้างความเสียหายบนหน้าโลกนี้แปลว่าอะไรทําลายโลกทิ้งขยะในรวมหมดเลยนะทิ้งขยะลงแม่น้ําลําคลองไปทะเลก็ขยะไปทิ้งนะครับ และก็รวมถึงความชั่วต่างๆบนโลกด้วยหมายถึงไปก่อสิ่งไม่ดีแล้วก็ทำลายธรรมชาติที่อัลลอ์สร้างมาหลังจากที่ได้มีการปรับปรุปรงแก้ไขแล้วและวิงวอนขอต่อพระองค์ให้มีความยำเกรงและความปรารถนาอันแรงกล้าแปลว่าอะไรขอให้มีความความมุ่งมั่นในการทำความดีโออัลลอ์ทําให้ซับบิต ก้นบีอาราดีนี้ขอให้อา ใ, ให้อลลอฮ์นั้นประทานความหนักแน่นในหัวใจในเรื่องอิมานในเรื่องของการต่ออาติ่ในเรื่องของการพักดีต่ อ, อลอใ น, นตรงขอนะและแท้จริงความเมตตาของออลลอฮ์นั้นอยู่ใกล้กับคนที่ทําดีคนที่ทําดีออลลอฮ์ก็จะเมตตาคนทําชั่วออลลอฮ์ก็โกรธแค่นั้นแหลนะนะมาดูนิดนึงว่าไอ้ทำว่าก่อความเสียหายนี่คืออะไระเช่นทําให้เกิดอันตรายต่อบาวของผู้ลงค์ที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ เนี่ยไปก่อความอันตรายเดือดร้อนด้วยเหตุ น, นี้พระองค์จึงใช้บ่าวพักดีต่อรอแล้วก็ไม่ทำตัวหยิงยโสโอหัง อ, อ่านต่อวะฮุวัลลียุรซีรุ ร, ริยาหะบุชรมบานายาได้รอแมตี ว่าอ ل َّลِ ي يُرْسِلُ الرياح م س ر ا بلا ي د َ ي ر ح م ت ِ حتى إذا أقَلت سحابا فقَالَ س ُ ق َ ن َ ه ُ ل ب ِ ب َ ل َ <ت ص في ق> د ٍ م َ ي ِّ ت ٍ ขดดาอัลกุยต์สั ا หะนสุขาวลบลจินมัลน์เราบ ا ห์มาอาฟ้าขร ج นาบีห ن มิคุลิ แต่มารอดฟรดมาฟรถกดลิกนุขรจุลโตัลละลุมแต่ ذكر ุณ และนั่นคَอการที่เราได้รับการช่วยเหลือจากพระที่เเคยรูและที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะได้รับการช่วยเหลือ والذي خابث لا يخرج إلا نكدا. วัลลัล ا ิขับุทล่ายักรุจุ ك ِลลันกิดาคดَลิกَนุสริฟุลอายาติลِ قوم ิยัก و ن คุรุนคดั มาดูความหมายว่าห้วลแลดียังพูดถึงการสร้างของล้อนะ<ม>และพระองค์นั้นคือยูร์ซิโลเรียเป็นผู้ส่งลมมาลมมาเนี่ยเป็นอะไรบุชรอบุชรอแปลว่าข่าวดีข่าวดีบุชรอ ลมข่าวดียังไงลมอะไรที่เป็นข่าวดีลมที่หอบหอบฝนมาอลมเนี่ยมีหลายประเภทลมพัดเย็นสบายอันนี้ก็ดีแล้วนะแต่ถ้าลมพัดเย็นสบายแล้วไม่มีฝนก็ลำบากอย่าง้ยลมพัดตึงเลยฝนไม่ตกลมร้อนแต่ถ้าลมที่พัดมาแล้วหอบฝนมาด้วย อันนี้ก็คือสร้างความชุ่มชื้นแล้วเวลาฝนตกมันก็จะมีกลิ่นไอฝนนะเออเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นธรรมชาติที่มนุษย์รู้สึกสดชื่นเวลาฝนตกใหม่ๆะนะเออแปลกไหมอ่ามันเป็นกลิ่นของรู้สึกสดสดชื่นคราวนี้อัลลอฮ์บอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ส่งลมลมดีอ่ะลมลมเหงาวดีก่อนสิลมที่เป็นข่าวดีที่อยู่เบื้องหน้าความเมตตา ที่อยู่เบื้องหน้าความเมตตาของพระองค์จนกระทั่งฮัตตาอีราอากลัสฮาบันจนกระทั่งมันนั้นได้แบกเมฆอันหนักอึ้งเอาไว้อันนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์เพิ่งมาค้นพบว่าน้ำฝนที่อยู่เป็นเมฆ น, นะโอ้โหมันหนักเท่าไรท่าไรเนี่ยคือถ้าเราใช้ปั๊มนะ่ปั๊มไม่ได้แหละอลัลลอฮฺตาลาเอาฝนไปอยู่ในรูปแบบของเมฆฝน และน้ําหนักของมันนะ่ยฝนตกถ้ายาทีิดดูน้ําท่วมเนี่ยน้ำขับปนไอ้มานขนาดไหนที่อยู่บนฟ้าเนลยมีใครทําได้ไหมล่ะเนี่ยเนี่ยลอตตาลาลทําอ่าใช่ไหมพอลงมาปุ๊บเป็นฝนโอโ้โหท่วมหมดเลยสมมติท่วมเนี่ยสแสดงว่าน้ําฝนบนฟ้าเนี่ยมีเยอะมากเลยเแต่มันเป็นรูปแบบของเมฆและเมฆ ก, ก็มีหลายแบบเมฆฝนเมฆจะลอยต่างกันด้วยนะเมฆฝนก็จะลอยตามใช่ไอ้เมฆที่แบบไม่มีฝนก็จะลอยสูอ่าเมฆมีหลายแบบอ่า ซีโกบันซุกนาฮูบลีดินมายิดโดยที่อัลลอจะให้ฝนเนี่ยมฝนเนี้ยไปสู่เมืองที่แห้งแล้งนะคำว่าไมายิตตรงนี้หมายถึงเมืองที่ตายเมืองที่ตายก็แปลว่าอะไรเมืองที่แห้งแล้งนะไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่พืชพันธุ์ธัญาหารไม่มีและเราก็ได้ให้น้ำหลั่งลงมาในเมืองนั้นฟอันซันแนบีฮิลแมกคือน้ำฝนนั่นเอง ฟาครอสจนาบีฮีมินกุลลิสตามารอดและเมื่อฝนตกแล้วก็จะได้มีผลไม้ทุกชนิดออกมาด้วยน้ำนั้นในทำนองนั้นแหละกาซาลิกานุกริยุ่นเมาตาลาอัลลากรุมแต่ละ ก, าาการุษดเออเราจะให้คนตายเนี่ยออกมาเนเหมือนกับกรณีของฝนในในนี้เราก็พูดถึงว่าก่อนที่จะฟื้นคืนชีบเราจะให้มีฝนตกด้วยนะ แล้วเราก็ออกมาจาก ด, ดิ น, น่ะคล้ายๆเหมือนต้นไม้เลยแล้วก็ฟื้นขึ้นมาจนกระทั่งมีร่างกายอ่าอ่าเริ่มจากกระดูกก้นกบแล้วก็ขยายขึ้นมาเป็นเนื้อเป็นอ่าเป็นกระดูกเป็นเป็นกล้ามเนื้อเป็นเนื้อหนังมังสาแล้วก็ออกมาแต่ไม่มีเสื้อผ้าอย่างที่บอกไปเรียกหนังไปหุ้มก็ไหนหนังเอาหนังไปอุมโมยเพกก็ยังคงเดิมเหมือนกันเหมือนกันตอนที่เกิดมาครั้งแรกอ่าแต่ถ้าอยากมีเสื้อผ้าต้องเป็นชาวกุราน พูดต่อว่าวัลบาลุด ต, ต่อ ย, ยิบเมืองที่ดีนั้นยาครูยูนาบาตู้ฮูบีบีเอนีร็อบบีพืชมันก็จะงอกเงยด้วยการอนุมัติแห่งพระผู้วิบาลของมันส่วนเมืองที่คอบูซาเ <c oughs> มืองที่ไม่ดีพืชมันก็ไม่งอก <c oughs> ฝนตกเท่าไหร่ <c oughs> พืชก็ไม่งอก เกิดจากสาเหตุอะไรจ้าสาเหตุของพืชไม่งอกเกิดจากอะไรดินคําว่าเมืองดีไม่ดีตรงนี้หมายถึงดินแต่ละเมืองต่างกันจริงมอ่าดินเมืองนี้ปลูกอะไรก็งามไอ้ดินเมืองนี้ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นดินเปรี้ยวเคยมีข่าวดินเปรี้ยวดินอะไรเงี้ยซึ่งแต่ดินมันมีความแตกต่างกันนะนอกจากสภาพที่แคะแกรนปลูกออกมาก็ไม่ได้รสชาติ ผลออกมาก็ไม่ดีแกินุฟัสซิลนูซอริฟุลอาเติลเกามียกูรูนแลวเราได้แจกแจงเอาไว้นี่คือซึ่งอาเครื่องหมายทั้งหลายแก่กลุ่มชนที่ขอบคุณมีฮะดิษบทนึงนะครับอัลล์ตายและอัลขทตตีฮะดิษอบดท่านนบีได้บอกว่ามซาสลาูอุ ป, ปมาวิชาความรู้เอความรู้เนี่ย นบีเอาความรู้มาให้ใช่ไม้มสุนนะนบีเอามาสอนอุ ป, ปมาความรู้และทางนำที่อัลลอ์ส่งมาให้ฉันและได้นำมานั้นดังกามาซาลิก้อยซิลแกซีรแปลว่าอะไรเปรียบเสมือนฝนที่ตกลงมาในพื้นดินอซอบบลอดอรัรดอนโดยปรากฏว่าดินพื้นที่บางแห่งเนี่ยพื้นดินบางแห่งเนี่ย เป็นดินที่รับน้ำเอาไว้พอนบีอามาสอนปั๊บเป็นไงตรงนั้นก็เจริญงอกงามหมดสมมติฉันเนี่ยนะไปสอนหนังสือฉันก็เอาซุนนาไปสอนปรากฏว่าสอนได้ไม่กี่ไม่กี่เดือนโอ้โหทุกคนเปลี่ยนแปลงหมดเลยเอาล้อกลายเป็นผู้รู้ครูบาอาจารย์กันหมดดีกันหมดเลยแสดงว่าคนพื้นฐานคนตรงนั้นเป็นไงเป็นคนที่ใฝ่ศาสนาอ่า กานัดมินฮาอาจาดิบุแต่ปรากฏว่าดินบางที่เนี่ยเป็นดินที่อุ้มน้ําได้ด้วยแปลว่าอะไรนี่เหนือกว่านี้นะบางคนเนี่ยสอนสอนเสร็จปุ๊บเอาความรู้มาปฏิบัติอันนี้ก็ถือว่าดีแล้วแต่บางอั น, นยังไม่พอจําความรู้นั้นเน่ยเอาไปสอนต่ออีกกลายเป็นดินที่เก็บน้ําเมื่อเก็บน้ําเสร็จก็มีประโยชน์กับคนอื่นด้วยอันนี้ดีที่สุดเลยในลูกศิษย์บางคนที่เราสอนไปเนี่ยบางคนก็แค่ เป็นคนปฏิบัติบางคนกลายเป็นโตคูเลยแต่ทุกวันนี้ฉันมีมีลูกศิษย์ที่บรรยายศาสนาเป็นโตคูเยอะเลยอ่าใ่แสดงว่าดินแบบนี้เลยรับนะรับความรู้เอาไว้แล้วก็เก็บด้วยแล้วก็เอาไปสอนต่อได้ด้วยอ่าส่วนอีประเภทนึงมีประเภทที่สามนี่อันนี้ประเภทอะไรประเภทดินดินไม่ดีเลยสอนเท่าไหร่ก็ออกหมดมันไม่เก็บน้าสอนไปเหอะจะ ก, กี่ต้นไม่ฟัง S <S 1> <S 1> สอนมากมันบ่นอีต่างหากน่าสอนดีมันด่าเราอีกน่ะเออดินพวกนี้เนี่ย <S <S ไม่ได้ผิดที่ฝนนะผิดที่ดินฝนนั้นตกนั่นแหละเอาความรู้ไปให้แต่ไม่เอาเนี่ยดาบีสอนเอาไว้สวยงามไหมอ่านั้นเราต้องดูด้วยจะไปปลูกอะไรดินอะไรเนี่ยต้องดูด้วยอ่าสุดท้ายเนี่ยในบอกว่าเปรียบ ผู้ที่เข้าใจศาสนาเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากที่ฉันนํามาเขาก็จะศึกษาแล้วก็เราอะไรนะศึกษาแล้วก็เปรียบได้กับผู้ที่บางคนที่ไม่ดีอ่ะขอโทษดิคนที่ไม่อปลูกดินตรงไหนปลูกแล้วอะไรไม่ขึ้นก็เปรียบเสมอพู้ที่เงยหัวไม่ขึ้นนไม่ยอมรับในสิ่งที่นบีอัลมาสอนอ่ะเราอยู่ในดินไหนดินที่เจริญงอกงามหรือดินที่อุ้มน้ําหรือดินที่ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น นะฟังหูซ้ายทะลุหูขวานะดินพวกนี้นะไม่ใช่เขาไม่สอนอันนี้อันนี้ดินไม่ดีอย่าเป็นแบบนี้อา้าวอีกนิดนึงนะอีกอีกอีกสักหนึ่งสองสามสี่สี่อแล้วก็จบละ فقال َ้ว أ, أ َาได้อร์สแลนโน้ห์หันอีลาโคว م ี فقال يا โค م มิ عبد ุลลอฮ์ فَقَالَ يَا قَوْمِ ا ع ْ ب ُ د ُ ا, ا ل ل َّ ه َ مَا لَكُمْ مِنْ إلَهٍ ِٰ غَيْرُهُ وَقَالَ يَا قَوْمِ ع َ ب ُ د ُ ا ل ل َّ ه َ مَا لَكُمْ مِنْ إلَهٍ ِٰ غَيْرُهُ إِنِّي ข้าวูอัลเลกุมอาดะบัยูมินอาซิมอิลลัลข้าวูอัลเลกุมอาดะบัยูมินอาซิมกาลัลมาْูมิควِมี ในผู้ที่โง่เขลลมม قوم ليس بظلال طو ولكن نرسول من رب العالمين <ت ص في ق> ِล غ ُ ك ُ م ْ رسالة ทีَ่ ب บบ ي وأنصح ل ล ك คุม واعلم من الله ما لا تعلمون ว่าอัลลัมมุมิน الله ما لا تعلمون อะมาดูความหมายนะครับในสูรอ้อนอารอฟนะเป็นสุระอที่ประธานลงมาในมักกี้ะ ก่อนที่นบีจะอพยพส่วนสุระบะกรรเนี่ยที่เราอ่านไปก่อนหน้านี้แลว้วสุรอันดับที่สองเป็นมาเดานียะประทานลงมาหลังจากนาบีอบพยพแต่แน่นอนว่าสุระบะกรรเป็นสุรที่ยาวที่สุดแล้วก็มีเรื่องราวนาบีอาดัมนบีนัวนบีมูซามีหลายถ้าถามว่าเรื่องนบีอาดัมกับ น, นบีนัวที่พูดตั้งแต่แรกก่อนสุรบะกรรคือสุรนี้หลังจากที่อัลลอฮ์ได้ พูดถึงการสร้างนาบีอาดัมังฮาวะและก็อิบลิสแผนการอันชั่วร้ายของอิบลิสอัลลอฮ์ก็ได้กล่าวถึงนบีนัวนบีนับวบอกว่าลาก็ดารซันนานูฮันอิลากมีและแท้จริงเราได้ส่งนัวไปยังกลุ่มชนของเขา ف ق ا ย ي ก قومي ع ب ล الله แล้วเขาได้กล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันใครพูดเนี่ยนบีนวัวพูดโอ้กลุ่มชนของฉันมาละกุมมีนะมินอีลาหินกอยรูจงสักการะพักดีจงเคารพพักดีต่อลอเถิดไม่มีพระเจ้าที่ควรแก่การเคารพสักการะใดๆสำหรับเจ้าอื่นจากพระองค์อีแล้ว อินีอาคอฟุอะไรกุ้มแท้จริงฉันกลัวการลงโทษอาดาบอาจาบแปลว่าการลงโทษเยามินอาดีมแท้จริงฉันกลัวการลงโทษในวันที่ยิ่งใหญ่จะมาประสบแก่พวกเจ้าอันนี้หมายถึงไม่ต้องวันกียามัตนะวันน้ำท่วมโลก อ, อันนี้สำหรับกลุ่มชนอื่นๆนะครับอัลลอฮจะจัดการได้ จัดการเลยคือไม่ต้องรอกิยามาัดแต่สำหรับน บ, บีม a หมัดเราเนี่ยร อ, อบปวยยิงเวลาเอาแล้วบอกต่อว่าก็แลนมาแล้วอูวมินเกามีก็มีคนที่เป็นผู้นำในกลุ่มชนของพวกเขาอันนี้คนไม่ดีคนไม่ดีนะบอกวาแเ้จริงเราได้เห็นท่านอยู่ในความหลงผิดน บ, บีนัวเนี่ยมาเตือนของดีไอ้นั่นบอกว่าน บ, บีนัวเนี่ยหลง ทำไมหลงล่ะทำไมบทนบีรอหลงเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขากราบไหว่อย่างอื่นกันมีนบีนวลเนี่ยมาสอนแปลกสอนให้กราบไหว้อลลอฮ์องเดียวก็เลยบอกว่านวลน่แหละผิดเพราะว่านคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้คิดแบบนวนี่ออย่าที่บอกนะครับว่า น, านาบีนวใช้ระยะในการเผยแพร่นี่เก้าร้อยห้าสิบปีตกร้อยปีละคนมึงไปถึงร้อยคนอ่ร้อยปีได้คนหนึ่ง <laughs> อารปีด้วยถึงสิบคนขอโทษทีร้อยปีไดไปถึงสิบคนนะอ้าวต่อมาเอา่อกอเลยเกลมีเลียสบีเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันไม่มีความผิดใดๆอยู่ที่ฉันหมายถึงนบีรุ่นเนี่ยไม่มีความผิดใดอยู่ที่ฉันแต่ถ้ว่าฉันนั้นเป็นศาสนทูตคนหนึ่งที่มาจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลลโลก อ่ารอซูลุมมิรอบบิ n าล ل มีนลกลาเลยากขามีไลียสบีดอลาละโอ้ขุมชนของฉันไม่มีความผิดใดๆอยู่ที่ฉันแต่ถ้าว่า <c oughs> ลากินนลากินนีรอซูลุมแต่ฉันเป็นรอซูลที่มาจากพระพุทบาลแห่งศาสตร์คนละโลกอูบัลลิกุกุมฉัน โดยที่ฉันได้ประกาศให้เจ้าทราบถึงสารแห่งพระผู้อภิบาลของฉันอันซซฮาและกตักเตือนแนะนำแก่พวกท่านวาอาและมู่เลก็กสอนความรู้จากอัลลอฮ์ให้แก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้อ่ะก็จบเรื่องตรงนี้นะแต่ขออธิบายเรื่องน บ, บีนวซะนิดนึงนวเนี่ยเป็น รอซูลท่านแรกบางคนงงอ้าวไม่ใช่นบีอาดัมเหรออาดัมเนี่ยเป็นนบีแต่รอซูลเนี่ยรอซูลกับนบีอันไหนมีเยอะกว่างงไหมรอซูลเนี่ยมีไม่เยอะหรอกแต่นบีนี่มีเป็นเป็นแสนอ่าคำจำกัดความของนบีก็หมายถึงถูงถกส่งมาในกลุ่มชนที่ศรัทธาอยู่แลว้วอ่า ถ้าเป็นรอซูลเนี่ยจะถูกส่งมาในกลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธาซึ่งนบีนอ่าขอโทษทีนบีอาดัมกับนบีดาริสเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีชีริกเลยชีริกมาเกิดยุคนบีนัวยุย ก, ก่อนนบีอยู่ระหว่างที่ขาดนาบีะนะพอนบีตายไปก็ก่อนจะมีนบีนัวเนี่ยเริ่มและมีคนดีและก็มีการทำชิริกครั้งแรก น, นบีนัวจึงถูกแต่งตั้งขึ้นมาเป็นรอซูลอ่า นั่นนวลเนี่ยเป็นเป็ น, ปนดอดศูนย์ทันแรกที่อัลลอฮ์ส่งมายังแผ่นดินหลังจากนาบีอาดัมซึ่งนบีอาดัมแน่นอนก็ไม่ได้มีเรื่องของการทําชีริกแต่อะไรนะหมายถึงกลุ่มชนนั้นนะนะเขาบอกว่านวลเนี่ยเป็นบุตรของลามักบุตรของมาตูซาลีบุตรของคอ น, นูดคอ น, นูดก็คือนบีอิดริสนะตามนักประวัติศาสตร์ที่คาดกันไว้ เขาเป็นคนที่ใช้ปากกาคนแรกก็คือนบีอิจลิสนบีอิจลิสเป็นคนทำปากกาครั้งแรกอ่าซึ่งอับดุลอับดุลไลญะบาสแต่อธิบายบอกว่าเดิมจริงๆเนี่ยก่อนที่เขาจะบูชาจเจวิตเนี่ยเขาบูชาคนดีก่อนเอาคนดีที่ตายเนี่ยเอามาบูชาเคยเล่าแล้ว ก็คือว่าพอเวลาคนดีมากๆเนี่ยคนก็จะมีลูกศิษย์เยอะลูกศิษย์นี่ก็รักครูมากพอรักครูมากพอครูไม่อยู่แล้วก็เลยทําอนุสอนสถานเอาไว้อ่าเป็นเก้าอี้ที่ทะครูเคยสอนอยู่เนี่ยเก้าอี้ตัวนี้เอามาวางเอาไว้กอย่าไปนั่งนะตัวนีู้เก้าอี้ครูฉันเวลาเห็นเก้าอี้ปั๊บแล้วนึกถึงครูที่สอนอ่าสักพักหนึ่งไอ้รุ่นนี้ตายไปไอ้รุ่นหนึ่งเอาภูมอลาลัยมาแขวนเก้าอี้นี้ไม่ธรรมดาแล้ว มีบรารักัดเป็นเก้าอี้ศักดิ์สิทธิ์อ่าหลังจากนั้นเก้าอี้เก้าอี้พังเพราะเก้าอี้พังเขานิปั้นเลยมันเป็นรูปตานอขึ้นมาเสร็จกลายเป็นคานิกายเป็นกลายเป็นนับถือจเจวิตเลยอ่าแล้ก็ตั้งชื่อนะครับชื่ออะไรชื่อวูดชื่อสวะชื่อยาซุกยาอุกวันนัสอันนี้อยู่ในสุรร้อนดวเป็นชื่อคนดีทั้งหมดเลยแต่เขาเอามาเป็นชื่อจเจวิตเพราะว่า ค่อยๆเพิ่มระดับไปเรื่อยๆนะจากทําเพื่อเป็นดิกรอ ย, ยตัต์ลำลึกถึงครูกลายไปมาก็กลายเป็นเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วก็กลายเป็นรูปปั้นเลยนะครับเป็นชิ้นนีเลยซึ่งซึ่ ง, งวันก่อนมีใครถ่ายนะใครสนใจอะไรนะบนแก้บนปล่อยแพะปล่อยแกะให้กกูโบอะไก็ไมร่รู้เขียนเลยเออน่าน่ากลัวมากนะแล้วเชื่อไหมว่าไม่ใช่เคาะมุสลิมคนอย่างเดียวนะ นอนมุสลิมก็ไปทำด้วยนะเพราะเขาเชื่อว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึง่งก็เล่าพี่น้องฟังว่านี่แหละคือที่มาที่อิสลามห้ามเลยห้ามมีรูปปั้นแม้กระทั่งรูปเคารพต่างๆเนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงอย่าเอารูปไปแปะมั่วสซัวอถ่ายแล้วก็เก็บเอาไว้ในอัลบัม้มไม่ต้องเอามาโชว์หลังๆมาเนี่ยรูปโตะครูบางทีเป็นไงสมัยก่อนบ้านเก่าๆเนี่ยแขวนแบบ ระดับเลยนะระดับสูงระดับลงมาแล้วบ้านเก่าๆทรงไทยพอเข้าไปนี่มันรู้สึกโอ้โหต่างิดต่างหิดน่ากลัวพันสารบันคนที่ไม่ใช่นอนมุสลิมเชื่อไหมเคยมีคนที่ไม่ใช่มุสลิมเข้าไปบ้านยกมือไหว้เลยยกมือไหว้รูปเลยเพราะว่าอะไรถือว่าเป็นบรรพบุรุษเก่าแก่มุสลิมก็ไม่รู้เรื่องเอ้าทําไมมาไหว้ตุกีฉันละ่ะโอ้โหอย่างขังเลยเนี่ยเขาบอกเอาเผอไปไงเอามงินมาอะไรมาแขวนให้อีก นะอิสลามเลยป้องกันเลยพี่น้องไม่ให้มีรูปเคารพบูชาต่างๆมัสิดไม่มีฮะเห็นไหมมัยิดไม่มีรูปภาพคนไม่มีอะไรเลยนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับกับเรื่องของการตักเตือนซึ่งนบีทุกคนทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แต่ปัญหาอยู่ที่คนดังนั้นจะมีคนไม่เชื่อเยอะก็ไม่ในหมายความว่านาบีนืวอหล้มเหลวไม่ใช่ใช่มนบีนื้โอโ้โหระยะการเผยแพร่แต่มีคน ศรัทธาไม่กี่คนอยู่บนเรือไม่ใช่หมายว่านาบีนวลบกพ่องแต่นบีมุสเนี่ยทำดีแล้วแต่คนมันไม่ดีอลัลลอฮ์เลยล้างไงเดี๋ยวจะมีเรื่องน้ำท่วมโลกหลังจากนี้นะครับสุบฮานนะกอลฮุมมม้าบิฮามดีกาชดูอัลเลอีลาฮิลาอัลต้าสตาฟิรูก้าวะตูบุไลอัสสลามอัลเลงุมมุฮัร์มัตุลลอฮ์วะบารอกะตู